คาเกะหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุ ก, กนัยเหตุปัจใจร้อยสี่สิหกสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศะบุคคลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศะบุคคลและอเาศะบุคคลซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศะบุคคลและอเสศะบุคคลซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อร้อสี่สิบเจ็เหตุตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระ และถึงอาเซวณะปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณที่ปฏิปัจจัยมีสามวาระณปุไรชาตาปัจจัยมีสามวาระณปัจชาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอเสวณะปัจจัยมีสามวาระนวิปากาปัจจัยมีสองวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระย่อ หน้าอธิปติปัจใจกับเหตุปัจใจมีสามวาระยอ่อเหตุปัจใจกับหน้าทิปติปัจใจมีสามวาระยอ่อเพิ่งขยายสหชาติวาระละถึงสัมยุตตวาระให้พิดารเหตุปัจใจและอารมณปัจใจเป็นต้นร้อยสี่สิบแดสภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาศขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลซึ่งเป็นเหต์โดยเหตุปัจจัย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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคลและอเสขารุคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยร้อห้าสสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเศคารุคคลซึ่งเป็นเหตุ เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสศัขาบุคคลและอาศัยขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศัยขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแฉะสภาวธรรมที่เป็นของอาศัยขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศัยขาบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศัข้บุคคลและอาศัยขาบุคคล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 เป็นปัจจ e ัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอาศข้าบุคคลซึ่งเป็นเหตุโด้วยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของอาศข้าบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสข้าบุคคลและอเสข้าบุคคลซึ่งเป็นเหตุโด้วยนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสข้าบุคคลและอเสข้าบุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสข้าบุคคลและอเสข้าบุคคล ซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคลซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยย่อร้อยห้าสิบสอง เทตุปัจจัยมีสมวาระอรมณปัจจัยมีสวาระอธิปติปัจจัยมีหวาระอนันตรปัจจัยมี8ดวาระสมนันตรปัจจัยมี8วาระสหชาตปัจจัยมีสมวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสมวาระนิสยปัจจัยมีสมวาระอุปานิสยปัจจัยมี8ดวาระและถึงอาเสวณปัจจัยมีสองวาระ วิปากปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีสามวาระสัมยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณเหตุปัจจัยมีแปดวาระณอารมณปัจจัยมีแปดวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ อารมณปัจจัยกับนเหิตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศละตึกก ะ, นะเนหิตุบทหนึ่งปฏิจาวาระปัยจยะจตุะในเหตุปัจจัยและอารมณะปัจจัยร้อยห้าสามสภาวธรรมที่เป็นของเสขับุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสชะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่เป็นของเสชาบุคคลและที่ไม่เป็นของเสชะบุคคลและอเสชะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสชาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใ สภาวธรรมที่เป็นของอาศขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศขาบุคคลและอเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศขาบุคคลและอเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศขาบุคคลและอาศัขาบุคคล ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศ <ông> ัยสภาวะธรรมที่เป็นของเสขาบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขาบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นของอเสขะบุคคลและที่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอเสขะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจร้อยห้าสิบสี่ สภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอรรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นของเสขะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นของอาขะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอรรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขบุคคลและอาศะบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระอาทิตติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอาศิวณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจจนียะแะเหตุปัจจัย ร้อยห้าสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสคาบุคคลและอาศิคารุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสคาบุคคลและอาศิคารุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยย่อหนเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าอรมณปัจจัยมีห้าวาระหน้าิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงหนปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระ นปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนักอาศวะนปัจจัยมี9้าวาระนกกรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อนัอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระละถึง สามปรยุติวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจาวาระเจปัญหาวาระปัจยะจตุคไนร้อยห้าสิบหสภาวธรรมที่เป็นของเสขารุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเสขารุคคลและอเสขารุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณปัป จ, จ์ใจสภาวธรรมที่เป็นของอเศคารุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุ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 สภาวธรรมที่เป็นของอเสัยขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นของอ ن, ง เ, เปปสรรัยขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยทิฏฐิปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศัยขบุคคลและอเสัยขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นของเาศัยขบุคคลและอเสัยขบุคคลซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิฏฐิปัจจัยมีสามวาระย่อร้อยห้าสิบเจ็ด อรามณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอานันตระปัจจัยมีแปดวาระสมานันตระปัจจัยมีแปดวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยาปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีแปดวาระปุริชาตปัจจัยมีสามวาระปัจชาชาตตะปัจจัยมีสามวาระ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 นเหตุปัจจัยมีสิบสี่วาระนอารามณะปัจจัยมีสิบสี่วาระยอ่อนเหตุปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีห้าวาระย่ออารามณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึ่อขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติการ สปริตะติกะหนึ่งเหตุทุกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจาวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนาร้อยห้าสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นปริตฐะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริฏฐะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่เป็นมหคัตะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุห ต, หตุปัจ สภาวธรรมที่เป็นอัปมาณะซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภปมาณะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรามณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระย่อเพื่อขยายชาตชาตะวาระละถึง จมปยุตตวาระให้พิดารเมือนปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้นร้อยห้าสิบเกสภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหากตะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหากตะซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นมหาคัตะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหาคัตะซึ่งเป็นเหตุโดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคัตะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปภมาณะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นเหตุโดยรมณะปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัปมาณะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหากตะซึ่งเป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยร้อหสสภาวธรรมที่เป็นปริตฐะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตฐะซึ evet> ่งเป็นเหตุโด้วยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหากตะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหากตะซึ่งเป็นเหตุโด้วยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหากตะ ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอปมาณะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปมาณะซึ่งเป็นเหตุโดยอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรัปปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะ ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรม hmm ที่เป็นมหาคตะซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เป็นโลคุตระซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นมหาคตะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เป็นมหาคตะซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นมหาคตะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวะธรรมที่เป็นปริตะ ซึ่งเป็นเหตโุโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคติซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปปามะณะซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปามะณะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น huh อัปปามะณะซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปปามะณะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตรปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัปมาณะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นมหคัตะซึ่งเป็นเหตุโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรม Lup. ที่เป็นปริร Warren ตฐะซึะ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นปริตฐะซึ่งเป็นเหตุโดยอุปานิสยปัจจัยย่อร้อหกสเอดเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมี9้าวาระ สมณันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาเศวณปัจจัยมีสวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีสามวาระสมยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อนะเหตุปัจจัยมีเก้าวารนะนอารมณะปัจจัยมีก้าวาระย่อนะอารมณปัจจัยขเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยขับนัเหตุปัจจัยมีหกวาระย่อพึงขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะนะเหตุบทหนึ่งปฏิจจวาระ ปั iscilla, จยะจตุขไนเหตุปัจจัยห62สภาวธรรมที yah, ่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นมหากตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นมหาคตะซึ่งไม่เป <attempts> ็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหาคตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นมหาคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่เป็นอัปปามะณะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอัปปามะณะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานะซ no. ึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอปปามะณะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นมหคตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นปริตะและที่เป็นอัภมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อร้อยหกสิบสาเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอาระมะนปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระและถึงสหชาตะปัจจัยมีสิบสามวาระอัญญมัญญปปัจจัยมีเจดวาระและถึง ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาสิวนปัจจัยมีสามวาระละถึงวิคตป ะ, ต ป, ะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระย่อปัจญิยะนัเหตุ ป, ปัจจัยร้อยหกสิบสสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนัเหตุ ป, ปัจจัยย่อ นัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนั่นอรมณปัจจัยมีห้าวาระนัอธิปติปัจจัยมีสิบวาระนัปุเรชาตะปัจจัยมีสิบสองวาระนัปัจฉาชาติปัจจัยมีสิบสามวาระนั่นอาศวณัปัจจัยมีสิบสามวาระนักรรมปัจจัยมีสามวาระนัวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนัอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นาชาณปัจัยมีหนึ่งวาระนมคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงนาวิปยุตตาปัจัยมีสมวาระและถึงโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อนอารมณะปัจัจขับเหตุปัจจัยมีหวาระอารมณะปัจัจขับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อพื่นขยายสหชาตะวาระและถึงสัมปยุตตวาระ ให้พิสดาเหมือนกับปฏิจจวาระ 7. ปัญหาวาระปัจยยะจตุกนัยร้อหสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นมหคัตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหคัตตะ ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหาคัตซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นมหาคัตซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตตะซึ่งไม่เป็นเหตุด้วยอารมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอารมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปมานะ ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอปมาณะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นมหักระตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยระมณะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปริตะซึ่งไม่เป็นเหตุโดยที่ปฏิปัจจัยย่อร้อยหกสิระมณะปัจจัยมีเจ็ดวาระ อธิปติปัจจัยมีเจดวาระอานันตรัปัจจัยมีเก้าวาระสมณันตรัปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตปัจจัยมีสิเดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเจดวาระนิสยาปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสยาปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระอันเสวนาปัจใจมีสี่วาระละถึง จมยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปย <Assistant S 2> ุตตปัจจ <mi> ัยมีห mm ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระย่อนเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระแอาอรมณะปัจจัยมีสิบห้าวาระย่อแเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีเจดวาระย่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเจดวาระย่อ คืนขยะให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในขุสรติกะ 13. ปริตารรมะติกะ1เหตุทุกกะ 1-7. ปฏิเจ้าวาระเป็นต้นปัจจยะเจตุปนยัยเหตุปัจจใจ 167. สภาวธรรมที่มีปริตตาเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตตาเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึง วิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระย่อณอธิปติปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระณอาเสวนปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระและถึงสัมยุญตาวาระ ให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยร้อยหกสิบปดสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีมหคตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีมหาพตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุด้วยอารมณะปัจจัย สภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุดวยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอปปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัย สภาวธรรมที่มีอัปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีอภปมาณะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีมหาคัตตะเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุโดยอารมณะปัจจัยย่ อ, อร้อหสเกเหตุปัจจัย ม, มีสา ม, ม, มวาระอารมณะปัจจัยมีเจดวาระ อธิปติปัจจัยมีเจดวาระอานันตรัปัจจัยมีเ้าวาระสมณันตรัปัจจัยมีเ้าวาระสังหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระมขะปัจจัยมีสามวาระ จำปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงภวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อนัเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระนาอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อนาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารมณะปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเจดวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลตึกะ หน้าเหตุกบทหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนยัยเหตุปัจใจร้อยเจ็ดสิบสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรามะปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อร้อจ็สเอสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยย่อนเหตุปัจจัยมีสามวาระนอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงนัานปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระยอ่อ ณอธิปฏิปัติใจขเผตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยจขณนเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระละถึงสามยุตตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระอารามณะปัจจัยและอธิปฏิปัจจัยเจ็สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณะปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตาเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหากตะตเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหากตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมหคัตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยรมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีมหากตะตเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตาเป็นอารมณ์ ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่มีอปปมานัเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีอัปปามะนัเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปามะนัเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่มีอัปปามะนัเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรม ที่มีมหาคตเป็นนอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุด้วยอ ร, รมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นนอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปริตะเป็นนอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุโดยอธิปฏิปัจจัยย่อร้อยเจ็ดสิบสามอรมณปัจจัยมีเจดวาระอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระอนันตรปัจัจมีเก้าวาระสมนันตรปัจจมีเก้าวาระ สหชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยะปัจจัยมีสามวาระอุปาิสยปัจจัยมีห้าวาระอาเจวณปัจจัยมีห้าวาระกรมมปัจจัยมีห้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตะปัจจัยมีสามวาระย่อ นาเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนาอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อนเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีเจดวาระยอ่ออารมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเจดวาระยอ่อเพื่งอางายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลเดกะ สเห็นนาติกะหนึ 7, ่งเหตุทุกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจใจร้อยเจ็ดสบสี่สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 นาอาศัยวณัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระละถึงสัมบยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนประปฏิจัวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้นร้อยเจ็ดสิหสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมชั้นต่ำ ซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตุปปัตย์ใสภาวะธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวะธรรมชั้นปรานีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมชั้นปรานีซึ่งเป็นเหตุโดยเหตุตุปปัตย์ใสภาวะธรรมชั้นต่ำซึ <is till> <ogene> ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุโดยระมณปัจจัย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 สภาวธรรมชั้นประนีซึ cards, iles, ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นประนีซึ่งเป็นเหตุโดยอรมะณปัจจัยร้อยเจสิบเจ็ดสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุโดยธิฏฐิปัจจัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุโดยทิฏฐิปัจจัยสภาวธรรมชั้นกลางซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมชั้นต่ำ ซึงเป็นเหตุด้วยทิปติปัจจัยสภาวะธรรมชั้นปราณีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมเช้นปราณีซึ่งเป็นเหตุด้วยทิปติปัจจัยสภาวะธรรมเช่นปราณีซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมเช้นกลางซึ่งเป็นเหตุโด้วยทิปติปัจจัยสภาวะธรรมเช่นต่ำซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมเช้นต่ำซึ่งเป็นเหตุโด้วยนันตระปัจจัยมีสองวาระ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 อนันตรปัจจัยมีหกวาระสมนันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิเชยปัจจัยมีสามวาระอุปมิเชยปัจจัยมี8ดวาระอาศัยวะณปัจจัยมีสมวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอินทรียะปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยมีสองวาระสามปยุตตปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อนเหตุปัจจัยมีแปดวาระณอารมณปัจจัยมีแปดวาระยอ่อนอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุสลตึกะนเหตุบทเหตุปัจจัย 179เจ็สบ้าสภาวะธรรมชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมชั้นต่ำซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยพึงขยายให้พิจารเหมือนสังเกตฤทธาติกะและเหตุทุกกะ